จเจออริงพรท่านพุทธศาสนาชนผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมประสงค์ทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สิบหกธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อสี่สิบเก้าเป็นวันที่พวกเราตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำความดี สร้างความสุขสร้างความเจริญสร้างความเฉริมมงคลให้กับชีวิตของเราเพราะชีวิตของเรานั้นจะดีหรือจะชั่วจะสุขหรือจะทุกข์ก็อยู่ที่การกระทําของเราถ้าเรากระทาดีทําบุญทากุศลเราก็จะมีความสุขมีความเจริญ มีความเป็นสิริมงคลถ้าเรากระทำบาปกระทำความชั่วเราก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเสือ่อมเสียมีแต่ความ <c oughs> กังวลวุ่นวายใจตามมาดัางนั้นพระพุทธเจ้าถึงสอนให้ศาสนิกชนให้ทำความดีอยู่เสมอด้วยการมาวัดอย่างน้อย อาทิตย์ละหนึ่งครั้งในสมัยโบราณได้กำหนดไว้เป็นวันขึ้นแรมแปดข้ามสิบห้าข้าแต่ในสมัยปัจจุบันเนื่องจากการหยุดทำงานนั้นจะอยู่ที่วันเสาร์วันอาทิตย์ส่วนวันขึ้นแรมแปดข้ามสิบห้าข้านั้น จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆคคอจะเปลี่ยนไปไม่ไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ต ล, ลอดไปดังนั้นคนที่ต้องไปทางานก็จะไม่สามารถมาตามวันแรงแปดข้ามสิบห้าข้าได้เลยเลือกเอาวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันพระแทนมาทำบุญกันในวันเสาร์วันอาทิตย์ก็เป็นสิ่งที่ เหมือนกันเพราะการกระทําเป็นตัวสำคัญไม่ใช่วันและเวลาวันและเวลาเป็นเพียงเป็นเพียงจุดที่เราได้กำหนดไว้ให้เป็นวันที่เราได้ทำความดีกันดังนั้นถ้าเรามาไม่ได้ในวันแรมวันขึ้นแรม8ดข้ามสิบห้าข้าเราก็มาวันเสาร์วันอาทิตย์แทน มาทำความดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาละบาปตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาละมาชำระจิตใจชำระความโลภความโกรธความหลงนี่เป็นวิธีที่จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นไม่มีวิธีอื่นคนเราส่วนใหญ่มักจะคิดว่าคนเราชีวิตของเราดีขึ้น อเมื่อเราได้เงินทองมากขึ้นเราได้ทำอะไรตามใจอยากของเราได้ซื้อข้าวของต่างๆที่เราอยากได้ได้ไปตามสถานที่ต่างๆที่อยากจะไปได้ดื่ได้กินได้ดูได้ฟังในสิ่งต่างๆที่อยากจะดูอยากจะฟังแต่เราก็ได้ทำมามากน้อยกันพอสมควรแล้ว ถ้ามันดีจริงมันวิเศษจริงพวกเราก็จะน่าดีน่าวิเศษเป็นนมนานแล้วจากการกระทาความตามความอยากต่างๆจากการมีเงินทองมากๆแต่สิ่งเหล่านี้มัไม่ได้เป็นเหตุที่จะทำให้คนเราดีให้คนเราวิเศษถ้าเราดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างเราก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ร่มรวยอะไรเลย ไม่มีเงินทองมากมายกายกองเหมือนพวกเราไม่ได้ไปเที่ยวไปดูไปฟังไปดื่มไปเล่นตามสถานที่ต่างๆแต่กับตั้งอยู่ในความสงบไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีจิตใจที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความเมตตากรุณามีความเอื้อเฟื้อเผือเ่อแผ่มีความสงสาร เพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากทุกคนแล้วก็ช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยเหลือได้ส่วนใหญ่หน้าที่ของพระพุทธเจ้านั้นช่วยเหลือมนุษย์ด้วยการชี้ทางด้วยการให้แสงสว่างแห่งธรรมคือสั่งสอนให้รู้วิธีดำเนินชีวิตเพื่อจะได้ไปสู่ความล่มเย็นเป็นสุขไปสู่ความเจริญอย่างแท้จริง วิธีที่จะพาเราไปสู่ความร่มเย็นเป็นสุขความเจริญนั้นก็คือวิธีแห่งธรรมะนี้เองือต้องเดินไปในทางธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงดำเนินมาเราต้องพยายามลดละตัดความอยากความโลภต่างๆเพราะว่ามันไม่มีความจำเป็นนั่นเอง ได้มากเท่าไหร่ก็ไม่ได้มีความสุขมากขึ้นไปตามสิ่งที่ได้มาแต่กลับมีความทุกข์มากเพิ่มขึ้นไปตามลําดับไม่มีอะไรนั้นแสนจะสบายแต่เราไม่รู้กันเรากลับหลงคิดว่ามีอะไรมากๆแล้วจะมีความสุขกันแล้วผลเป็นอย่างไรระหว่างอยู่คนเดียวกับอยู่สองคนอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องมี ปัญหาไม่ต้องทุกขกับอีกคนหนึง่งอยู่สองคนก็ต้องมีเรื่องทะเลาะเบาแวงกันมีเรื่องขัดใจกันมีเรื่องห่วมกันอยู่คนเดียวแสนจะสบายแต่กับอยู่ไม่ได้ต้องไปหาเพื่อนมาอยู่ด้วยหาคู่มาอยู่ด้วยพอมีคู่แล้วทีนี้ก็มีปัญหาตามมาเดี๋ยวก็ขัดใจกันเดี๋ยวก็ทะเลาะกัน เดี๋ยวไม่เห็นหน้ากันก็เป็นห่วงเป็นใยกันเดี๋ยวจากกันไปก็ร้องห่งร้องไห้เศร้าสศกเสียใจนีเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาไม่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะได้มาแก้ความหลงของเราเราปล่อยให้ความหลงของเราพาเราไป ทุกวันที่เวลาเราทำอะไรเราเคยปรึกษาพระพุทธเจ้ามากหรือเปล่าเคยเปิดป ด, ดูหนังสือธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าว่าท่านสอนให้เราสะสมอะไรให้เราสะสมเงินทองหรือล้วให้เราสะสมคุณงามความดีความเมตตาความการุณาเราอาจจะคิดว่าคนเราต้องมีเงินหย่อนถึงจะทำความดีได้นี่เป็นความเข้าใจผิด เพราะว่าคนเราไม่มีเงินก็ทําความดีได้เช่นพระพุทธเจ้าท่านไม่มีเงินท่านก็ทําความดีได้ท่านตั้งอยู่ในความถูกต้องดีงามเช่นอยู่ในศีลในธรรมไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนี่ก็เป็นความดีงามแล้วไม่ไปสร้างเรื่องสร้างราวสร้างปัญหาให้ให้กับผู้อื่นไม่ไปก่อความเดือดร้อนสร้างความวุ่นวายให้กับผู้อื่น ตั้งอยู่ในความสงบ พ, พวกเราถึงแม้จะมีเงินทองมากน้อยเพียงไรก็ยังไม่สามารถตั้งอยู่ในความสงบได้เพราะความอยากความโลภของเราความหลงของเรามันคอยผลัก ด, ดันให้เราต้องออกไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นเวลาเราอยากจะได้อะไรเราก็ไม่สนใจว่าการที่การหาของเรานั้นจะไปสร้างความเดือดร้อน ให้กับผู้อื่นหรือไม่ขอให้ได้ทําต่างความอยากเท่านั้นอย่างพวกเด็กที่ชอบขี่รถมอเตอร์ไซค์ตอนคืนชอบแข่งกันก็แข่งกันเต็มถนนสร้างความเดือดร้อนให้กับคนขับขี่รถยนต์สร้างความหนวกหูให้กับชาวบ้านเดือดดือดดึงเแทนที่จะหลับจะนอนกันกลับไปแข่งรถบนท้องถนน แล้วก็ส่งเสียงดังสร้างปัญหาให้กับผู้ขับขี่ยานยนต์คนอื่นแต่คนที่ทำสิ่งนั้นไม่ได้คิดถึงปัญหาของผู้อื่นคิดแต่ความสุขของตนเองอยากจะทำแล้วคิดว่าทำแล้วสนุกมีความสุขก็ทำไปแต่ปัญหาที่จะตามเกิดขึ้นตามมานั้นไม่คิดกัน เมื่อทาไปสร้างเมื่อไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแล้วก็ต้องมีการแก้ไขมีการจัดการก็ต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยจับไปปรับจับเข้าไปขังแต่ก็ไม่เข็ดไม่หลาบพอออกมาก็ไปทำมาอีกปัญหาของบ้านเมืองเราจึงมีไม่รู้จักจบจากสิ้น เพราะคนเหล่านั้นมีแต่ความโง่เขลาเบาปัญญาชอบสร้างปัญหาสร้างให้กับตนเองและกับผู้อื่นไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่ถ้าได้มีโอกาสได้เข้าวัดได้ฟังเทศฟังธรรมได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้เราตั้งอยู่ในความสงบกายสงบวาจาสงบใจสงบกายก็คือไม่ไป ท ำ, ทำร้ายผู้อื่นเช่นไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปลักทรัพย์ไปประพฤติผิดตอเวณนสงบวาจาก็คือไม่พูดปลดมดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพอ้อเจอ้อไม่พูดคำยุยงส่งเสริมให้ผู้อื่นแตกความสามัคคีนี่คือการกระทําที่ทําไปแล้วจะนำมาซึ่งความ เดือดร้อนทั้งกับผู้อื่นและกับตนเองส่วนความสงบใจก็คือให้สงบระงับจากกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ถ้าเราตั้งใจจะกระทำกันเหมือนกับการมาวัดวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทำได้ถ้าเราตั้งใจจะมาวัดกัน แต่มีคนอีกมากเชื่อหรือไม่ว่าเขาบ่นว่าเขามาวัดไม่ได้ทําไมถึงมาไม่ได้เพราะเขาตื่นไม่ทันก็าบอกก็นอนดึกนอนดึกก็ตื่นเช้ามาวัดไม่ทันแล้วทําไมไม่นอนแต่หัวข้างเห็นะไหมมาได้แต่ไม่มาแล้วก็บ่นว่ามาไม่ได้ทุกอย่างเราสามารถทําได้ทั้งนั้นถ้าเราจะทําสักอย่างหนึ่งถ้าเราไม่ ถ้าเราไม่ทําเราก็แก้ตัวไปเรื่อยๆว่าทำไม่ได้ละความโลภไม่ได้ละความโกรธไม่ได้ละความหลงไม่ได้ละสุรายะสุราเมรัยไม่ได้ละการไปเที่ยวกลางคืนไม่ได้ละการพูดปดไม่ได้มันจะไปยากเย็นอะไรถ้าไม่พูดสัอย่างมันก็ไม่ปดแล้วถ้ารู้ว่าจะพูดปดก็ไม่ต้องพูดนิ่งเฉยๆเอาอะไรมา มามาติดปากไว้ก็ได้ไม่ให้พูดท้านั้นมันก็ไม่พูดผ่อแล้วไม่เห็นจะยากเย็นเลยอยู่ที่ความตั้งใจเท่านั้นเองดังนั้นขอให้เราตั้งใจทําความดีแล้วเราจะทําความดีได้ขอให้เราตั้งใจละการการะทําบาปแล้วเราจะละได้ขอให้เราตั้งใจละการละความโลภความโกรธความหลง เราก็จะละได้เหมือนกับเรามีความตั้งใจจะมาวัดในวันนี้เราก็มาได้คนที่ไม่มีความตั้งใจต่อให้อยากมามากน้อยเพียงไรก็มาไม่ได้เพราะไม่มีความตั้งใจความอยากกับความตั้งใจมันก็เหมือนกันถ้ามีความอยากมันก็มีความตั้งใจเแต่คนที่บอกว่ามาไม่ได้แล้วอยากมานั้นเป็นเพียงการโกหกตัวเองความจริงแล้วไม่ได้อยากมา ถึงมาไม่ได้เพราะคนเราถ้าอยากอะไรแล้วมันจะมีอะไรมาขวางเราได้มีแต่ความตายเท่านั้นน่ะที่จะขวางเราได้เพราะไม่สามารถทำได้แต่ถ้าตราบใดยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เราเป็นมนุษย์เหมือนกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทำอะไรได้เราก็ทำได้เหมือนกันขอให้เราอยากทำเท่านั้นเองถ้าไม่อยากทำแล้วก็ทาไม่ได้ ดังนั้นในเบื้องต้นเราต้องศึกษาให้ดีว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราและรู้ว่าศึกษาว่าอะไรเป็นโทษกับเราเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะเกิดความอยากทาขึ้นมาเองเหมือนกับเวลาที่เราดูโทรทัศน์แล้วเขามีโฆษณาสินค้าต่างๆเขาก็โฆษณาว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ ถ้าเขาไม่โฆษณาเราก็ไม่รู้ว่าสินค้านี้ดีดีดีอย่างไรอย่างใดพระพุทธศาสนาก็เป็นเหมือนสินค้าชิ้นหนึ่งถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการรับรู้การโฆษณาว่าดีอย่างไรเราก็ไม่รู้แต่แต่สินค้าของทางศาสนานี้ไม่ค่อยได้รับการโฆษณาทางโทรทัศน์กัน เพราะว่าสินค้าของทางศาสนานี้ไม่มีราคานั่นเองคือไม่ได้ขายไม่มีการซื้อขายมีแต่ให้ฟรีๆเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เลยไม่มีรายได้ที่จะเอามาใช้ในการโฆษณาก็ต้องอาศัยผู้มีจิตศรัทธาที่จะร่วมกันบริจาคทรัพย์แล้วก็ไปโฆษณาให้ผู้อื่นได้รู้กันเท่านั้น แต่ก็ไม่มีใครทํากันส่วนใหญ่มักจะชอบบริจากทรัพย์แล้วก็สร้างวัตถุต่างๆสร้างวัตถุมงคลต่างๆซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเต็มบ้านเต็มเมืองแต่คนก็ยังโง่เขลาเบาปัญญาคนก็ยังไม่เห็นคุณเห็นประโยชน์ของพระศาสนาไม่รู้คุณค่าของพระพุทธพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่ามีคุณค่าประเสริฐเลิศโลกอย่างไร ก็ยังหลงงม ง, งายกับเศษดินเศษขยะเช่นเงินทองเช่นยศถาบรรดาศักดิ์เช่นการสรรเสริญเยนยอยหรือความสุขที่ได้จากการไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสผโภธภะต่างๆเหล่านี้ถ้าเมื่อเปรียบเทียบถึงความเลิศความวิเศษของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเหมือนเศษขยะเหมือนเศษดิน ไม่มีคุณค่าอะไรแก่จิตใจเลยเพราะไม่ได้ยกจิตใจให้ให้สูงขึ้นให้เจริญขึ้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้มีแต่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่จะสามารถยกฐานะจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้ประเสริฐขึ้นให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้แต่ไม่มีใครรู้กันเท่าไหร่ ถ้ารู้กันแล้วรับรองได้ว่าจะต้องเกิดความอยากปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนอย่างแน่นอนแต่นี่เป็นเพราะว่าเรายังหลงกันอยู่ยังไม่เห็นคุณค่าของการทําความดียังไม่เห็นคุณค่าของการละบาปยังไม่เห็นคุณค่าของการกาจัดความโลภความโกรธความหลงความอยากต่างๆให้หมดไปจากจิตจากใจ เรากเจอไม่เคยเจอกับความสุขความเจริญที่แท้จริงเจยอแต่ความเจริญที่จองกลอมคือเจริญแล้วก็เสือ่อมได้อะไรมาแล้วก็เสื่อมไปหมดไปได้สรรเสริญแล้วเดี๋ยวก็ได้นินทาได้ยศแล้วเดี๋ยวก็ถูกเขาปดได้เงินทองเดี๋ยวเงินทองก็หมดไปได้ความสุขจากการไปเสพรูปเสียงกิด็ดรดปวดกระพะ เสพเสร็จแล้วมันก็ผ่านไปมันก็หมดไปเหลืออยู่แต่ความอ้างว้างเล่าเปลี่ยวอย่างที่เราเป็นกันอยู่เมื่อมีแต่ความอ้างว้างเล่าเปลี่ยวก็ต้องไปหามาใหม่ไปหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆได้มามากน้อยเพียงไรมันก็ยังอ้างว้างเล่าเปลี่ยวอยล่อยางนั้นเพราะเราได้ทำมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้แล้วถ้ามันจะเต็มในหัวใจของเรามันก็น่าจะเต็มไปนานแล้ว ถ้ามันจะให้ความพอกับเรามันก็นะนาจะให้ความพอกับเราไปนานแล้วแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันมีแต่จะสร้างความหิวสร้างความกระหายสร้างความอยากสร้างความต้องการให้ไปให้มีอยู่เรื่อยๆไม่รู้จักจบจากสิ้นแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจของเรามีความอิ่ม มีความสุขมีความพอขอให้เราทำจริงจริงจังๆกันเท่า น, นั้นเองอย่าสักแต่ว่าทำทำพอหอมปากหอมคอทำพอเป็นประเพณีเช่นานานๆก็เข้าวัดสักครั้งหนึ่งเข้าแล้วก็ไม่ได้ทำอย่างจริงจริงจังๆทำแบบพอขอไปทีเพราะจิตใจไม่ได้มีความอยากที่จะทำทำเพื่อแก้เขินอย่างนี้เป็นต้น ขอให้เราทำด้วยความอยากด้วยเห็นคุณค่าของสิ่งที่เราทำเหมือนกับเวลาที่เราเห็นเขาโฆษณาสินค้าว่ามีคุณมาดีประโยชน์อย่างไรแล้วเราก็ขับรถขับลาไปถึงร้านเพื่อจะไปซื้อมันมาขอให้เราทำอย่างนั้นเถิดแล้วรับรองได้ว่าเราจะได้สิ่งที่ดีที่งามได้สิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขความเจริญ มีความอิ่มมีความพอปราศจากความทุกข์ความวุ่นวายความกังวลใจทั้งหลายเกิดที่เกิดจากการกระทําตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเท่านั้นคือทําดีพูดดีคิดดีอย่าไปทําความชั่วอย่าไปพูดสิ่งที่ไม่ดีอย่าไปโลภอย่าไปโกรธอย่าไปหลง คนเราก็อาจจะคิดว่าไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วจะอยู่ได้อย่างไรก็เพราะพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่มาทั้งสี่สิบห้าปีหลังจากที่ทรงตัดสรู้แล้วในพระทัยของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีความโลภความโกรธความหลงท่านก็อยู่ได้อย่างสบายอยู่ด้วยความสุขอยู่้วยไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาไม่มีความพุ่นวายใจแต่พวกเราเป็นอย่างไรอยู่กันแบบไหน อยู่ด้วยความสุขด้วยความสงบหรืออยู่ด้วยความวุ่นวายไปกับความโลภไปกับความอยากไปกับความโกรธไปกับความหลงอยู่ด้วยความเศร้าโศกเสียใจร้องหง่มร้องไห้อะไรอาวรณ์อยู่ด้วยความกังวลนั่นก็เป็นเพราะว่าเราดำเนินชีวิตของเราไม่ถูกทางนั่นเองเราเดินผิดทางเราเห็นผิดเป็นชอบ ทำในสิ่งที่ผิดแทนจะทําในสิ่งที่ชอบแต่วันนี้เราได้มาได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแล้วที่สอนให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยการทําความดีเช่นให้มีการเสียสละให้เราเสียสละเวลาเสียสละประโยชน์ฉุขที่เรามีให้กับผู้อื่นอย่างวันนี้เราเสละเวลา ละประโยชน์คือเงินทองที่เรามีแล้วนำไปซื้อข้าวของมาถวายพระเนรเพื่อท่านจะได้มีความสุขจากสิ่งของที่เราให้มาเพราะพระสงฆ์องค์เจ้าท่านต้องอาศัยเราเป็นผู้เลี้ยงดูนั่นเองต้องอาศัยพวกเราเป็นผู้เลี้ยงดูถ้าเราไม่เลี้ยงดูท่านไม่ใส่บาตรไม่ทำบุญทำทาน ท่านก็อยู่ไม่ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็จะไม่มีศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลกศาสนาจะอยู่ได้ก็ต่อเมื่อมีการบวชพระบวชเองมีการศึกษามีการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนบรรลุเห็นธรรมบรรลุเป็นพระอาริยสงสาวกขึ้นมาเมื่อบรรลุแลนะ้วก็จะได้มาสั่งสอนพวกเราอีกตอนหนึ่ง ให้พวกเราได้รู้ถึงทางที่ดีที่งามที่ชอบว่าเป็นอย่างไรพวกเราก็จะได้รับประโยชน์เราก็จะได้นำเอาไปปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติตามแล้วเราก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุดจะไม่มีความทุกข์ความกังวลใจความวุ่นวายใจต่างๆ้ า, า, ามมาดังนั้นจงพยายามทำให้ได้ท่านสอนให้เราทำความดี ก็ทำความดีจงททำความดีอยู่เรื่อยๆวิธีจะทำความดีก็ต้องศึกษาว่าทำอย่างไรถึงทำความดีเพราะเราไม่รู้กันส่วนใหญ่สิ่งที่เราคิดว่าดีนั้นมันนับจะไม่ดีมันนับจะไปสร้างความเดือดร้อน ให้กับผู้อื่นอยู่เสมอจึงควรเป็นคนที่ว่านอนสอนง่ายผู้ใหญ่สั่งสอนอะไรควรจะเชื่อฟังอย่าไปดื้อรั้นอย่าไปคิดว่าตนเองเก่งตนเองฉลาดแนวถ้าถ้าเก่งฉลาดจริงแนละ้วจะต้องไม่ทุกข์จะต้องไม่วุ่นวายใจจะต้องอยู่ในความสงบได้จะตั้งบวชไปได้ตลอดชีวิตอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเก่ง แต่ถ้ายังต้องไปดินรนหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังอยากจะได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ยังถือว่าไม่เก่งยังโกรธยังโลภยังหลงอยู่อย่างนี้เรียกว่ายังไม่เก่งถ้าจะเก่งจริงแล้วต้องไม่โลภไม่โกรธไม่หลงต้องเสียสละได้ต้องให้ได้แล้วก็ฟังได้ใครจะพูดอะไรมากน้อยเท่าไหร่จะหนักจะเบาก็ฟังได้อย่างสบายใจ ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าใครพูดนิดพูดหน่อยแต่ต้องไม่ได้เลยเกิดความฉุนเฉียวเกิดทิฐิขึ้นมาอย่างนี้เ ร, เรียกว่าเก่งได้อย่างไรเพราะว่าเราหลงไงเราคิดว่าเราเก่งแต่ความจริงแล้วไม่เก่งคนเก่งนั้นท่านบอกว่าเป็นคนที่รู้ว่าตนเองนั้นยังไม่เก่งพอ ส่วนคนไม่เก่งนั้นคือคิดว่าตนเองเก่งแล้วคนที่เก่งแล้วก็จะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มเติมก็จะโง่ไปตลอดแต่คนที่โง่แต่คิดว่าแล้วรู้ว่าตนเองโง่คนนั้ น, น, นจะเป็นคนที่มีโอกาสที่จะเก่งได้เพราะพร้อมที่จะรับคำสอนของผู้อื่นพร้อมที่จะได้ยินได้ฟังการตำหนิตเตือนของผู้อื่น เราจะได้นำไปแก้ไขเพราะการทำเนียตตีนของผู้อื่นด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเมตตานั้นเป็นเหมือนกับการชี้ขุมทรัพย์นั่นเองขุมทรัพย์คืออะไรคือการกระทำตัวเราให้ดีไม่ให้เสียนั่นเองเวลาคนอื่นชี้ว่าเรากำลังทำในสิ่งที่เสื่อมเสียก็เป็นการเตือนสติเป็นการบอกเราว่าเรากำลัง ทำลายตัวเราเองก็เป็นเหมือนกับขุมทรัพย์นั่นเองเพราะว่าเมื่อเราได้แก้ไขการกระทําที่ไม่ดีของเราแล้วความเสื่อมเสียก็ไม่ตามมาการที่ผู้อื่นตำหนิติีเตียนเราด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเมตตาก็เป็นเหมือนกับกระจกสองหน้าเราจะไม่รู้ว่าหน้าตาเราเป็นอย่างไร ก่อนจะออกมาจากบ้านนี้เราส่องหน้าดูกระจกก่อนหรือไม่ว่าห ว, วีผมแล้วหรือยังล้างหน้าล้างตาสะอาดแล้วหรือยังแส่เสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วหรือยังบางคนไม่ดูกระจกบางทีไม่ได้ใส่ซิปก็มีเดินออกไปนอกบ้านโดยที่ไม่รู้สึกตัวไม่ดูกระจบ ก, ก่อนแต่ถ้ามีใครที่เขาปรารถนาดีเขาเตือนเราบอกว่าอา้าวยังไม่ได้รู้ซิปเลยโชวอะไรอยู่อย่างนั้น ก็เป็นการช่วยเหลือเราเป็นการบอกเราให้เรารู้ถึงความบกพร่องของเราจะไปเสียหายอะไรถ้าเป็นการบอกอย่างนี้เป็นการบอกด้วยความเมตตาด้วยความปรารถนาดีแต่ถ้าเป็นการบอกด้วยความโกรธ ด, ด้วยความเกลียดแล้วไม่เป็นความจริงเราก็ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปเถือดร้อนอะไร มันก็เป็นการแสดงให้เราเห็นถึงความความต่าช้าของคนที่พูดนั่นเองแสดงว่าคนนี้ยังไม่มีความเมตตายังไม่มีปัญญาพูดไปตามอารมณ์เวลาที่โกรธเราก็ต้องให้อภัยเขาต้องสงสารเขาอย่าไปโกรธไม่มีความจําเป็นจะต้องโกรธอะไรเมื่อสิ่งที่เขาพูดนะั้นไม่เป็นความจริง เราก็ไม่เห็นจะต้องเดือดร้อนอะไรอย่างคนที่เขาชอบด่ากันด้วยวาจาหยาบหยาบเรียกคนเป็นสัตว์ชนิดต่างๆเขาเรียกเราว่าเป็นสุนัขอย่างนี้เราก็ดูตัวเราถามตัวเราเองว่าเราเป็นสุนัขหรือเปล่าถ้าเราไม่เป็นสุนัขเราจะไปเดือดร้อนอะไรหางเราก็ไม่มีขนเราก็ไม่มีเราก็ไม่ได้คลานสี่เท้าเหมือนสุนัขเดินกันเราก็เดินสองเท้า แล้วเราจะไปเดือดร้อนอะไรถ้าเราเดือดร้อนก็แสดงว่าเราบ้าตามเขาเราโง่ตามเขาก็มองเห็นว่าเราเป็นสุนัขเราก็บ้าตามเขาเห็นว่าเป็นสุนัขเหมือนกับเขาถ้าเราไม่เป็นสุนัขแล้วเราก็เฉยกับสงสารคนที่ว่าเราว่ามันคนหูหนวกตาบอดแยกมนุษย์แยกคนออกจากสุนัขไม่เป็นแล้วมันจะไปเจริญรุ่งเรืองได้อย่างไรมันจะเอาตัวรอดได้อย่างไร มันก็จะมีแต่จะตกทุกข์ได้ยากลำบกลำบากลำบนไปตลอดชีวิตของมันนั่นแหละนี่คือการ <c oughs> ทำความดีทำได้แบบนี้การตั้งอยู่ในความสงบในขณะที่ถูกตัณหิติเตียนถูกดุด่าว่ากล่าวก็ไม่มีแสดงปฏิกิริยาอาการที่ไม่สวยงามออกมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพ่อกับแม่กับครูบาอาจารย์ที่มีความเมตตากราุณาที่พยายามอบรมสั่งสอนให้เรารู้จักผิดถูกดีชั่วเมื่อฟังแล้วไม่ถูกอกถูกใจก็ต้องตั้งสติไว้แล้วก็บอกตัวเองว่ากำลังฟังเทศพ่อแม่เป็นเหมือนพระของเราเวลาพ่อแม่พูดกับเรานี้เหมือนท่านเทศให้เราฟัง เหมือนขณะนี้ที่เรากำลังฟังเทศอยู่เราก็ต้องฟังด้วยความเคารพน้อมเอามาพิจิตพิจารณาสิ่งไหนถูกเราก็รู้เราก็รู้ว่าถูกสิ่งไหนผิดเราก็รู้ว่าผิดสิ่งที่ผิดก็ไปแก้ไขเสียสิ่งที่ถูกก็พยายามทำให้มากยิ่ ง, งขึ้นไปถ้าเราฟังแบบนี้แล้วเราจะได้ประโยชน์แล้วเราจะ พ, พัฒนาตัวของเราเอง ให้ดีขึ้นให้เก่งขึ้นเพราะคนเรานั้นจะสอนตัวเองนั้นให้ดีให้เก่งนั้นได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายเป็นสิ่งที่ยากเพราะคนเราส่วนใหญ่จะเข้าข้างตัวเราเองความผิดของเรานั้นแม้จะน้อยนิดแม้จะใหญ่เท่ากองภูเขาก็คิดว่าเป็นเพียงผงทุลีส่วนความดีของตนแม้จะมีเพียงเท่าผงทุลีก็มักจะคิดว่ามีเท่ากองภูเขา นี่คือความเห็นของเรามากจะเป็นอย่างนั้นเราชอบเข้าข้างตัวเองส่วนเวลาเรามองคนอื่นเราจะมองกับตาลับตากันความดีของคนอื่นแม้จะมีมากน้อยเพียงไรก็จะเห็นว่าเป็นเท่าผงธุลีส่วนความชั่วของคนอื่นแม้จะมีเท่าเพียงผงธุลีเราก็กลับเห็นว่าใหญ่โตเท่ากองภูเขานี่คือใจของเราจะเป็นอย่างนี้เรามักจะเข้าข้างตัวเองเสมอ เราจึงต้องอาศัยผู้อื่นมาสั่งสอนมาว่ากล่าวมาตําหนิติเตียนเราเพราะไม่เช่นั้นแล้วเราจะไม่มีโอกาสที่จะสอนตัวเราให้เป็นคนดีให้พัฒนาตัวเราให้เก่งให้ดีขึ้นได้เลยเราจึงต้องหัดทําใจยอมรับคําสอนของผู้อื่นยอมฟังผู้อื่นจะหนักจะเบาอย่างไรมันไม่ทําลายเราหรอก เสียงมันไม่ทําลายหูเราเหรอกเสียงใครจะด่าเราขนาดไหนก็ตามมันก็ไม่ได้มาทําลายหูให้เราฉีดขาดไปแต่ใจของเรามันโง่มันรับไม่ได้แค่นั้นเองเพราะเราไม่เคยได้รับการอบรมสั่งสอนให้ฝึกให้รับให้ฝึกกับการรับฟังคําสอนคาดุด่าว่าจล่าวของผู้อื่นถ้าเราฝึกใจเราให้รับกับ การว่ากาวสั่งสอนของผู้อื่นได้แล้วเราจะได้รับประโยชน์ดังนั้นจึงอยากจะให้เราจงพยายามตั้งมั่นอยู่ในความดีไม่ว่าคนเขาจะสรรเสริญหรือจะนินทาเราก็ต้องทำใจให้เป็นปกติอย่าไปเกิดความโกรธเกิดความเสียใจขึ้นมาเพราะเมื่อเราเกิดความโกรธเกิดความเสียใจแล้วเราก็จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทาไม่ดี แล้วก็จะส่งผลเสียให้กับมหาตัวเราเองแต่ถ้าเรารักษาใจของเราให้นิ่งสงบเป็นปกติไม่โกรธไม่เสียใจเราก็จะไม่เดือดร้อนเราก็จะไม่คิดร้ายไม่พูดร้ายไม่ทำไม่ทาร้ายเมื่อเราไม่คิดไม่ทาไม่พูดร้ายแล้วผลเสียต่างๆก็ไม่มีตามมานี่คือการดำเนินชีวิตเพื่อความถูกต้องดีงาม เราต้องฝึกเราต้องสนใจต่อการศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆมาวัดอยู่เรื่อยๆถ้ามาไม่ได้ก็เปิดหนังสือธรรมะอ่านที่บ้านเปิดเทป ฟ, ฟังเปิดแผ่นซีดีฟังแทนก็ได้แต่ควรจะฟังอยู่เรื่อยๆเพราะถ้าเราไม่ได้ฟังแล้วเราจะลืมจะมีเรื่องอื่นเข้ามาทําให้เราลืม ถึงเรื่องต่างๆที่เราได้ยินได้ฟังพอเราลืมแล้วเราก็จะไม่สามารถสั้งตนอยู่ในความดีงามได้จึงขอฝากเรื่องการมาวัดมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ังธรรมมาปฏิบัติธรรมให้ท่านทั้งหลายแนะนำเอาไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอเพื่อประโยชน์สุขและความเจริญที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็เห็นว่าสมควรในเวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณผมบุญที่ท่านได้มากระทํากันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นตัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยอายุวันนะสุขภาระโดยทั่วหน้ากันเทอ